สบายปลายทางทำไม่ยากตาแล้วดีใจนะดีใจเพราะว่าเราทําได้ดีใจเพราะว่าความทุกข์ยากลําบากและสิ้สุดแล้วมันไม่เหมือนกันนะแต่ที่ริงก็เกี่ยวโยงกันริงมีความทุกข์ยากมากไกหลหระหว่างการเดินแล้วิ่งดีใจแล้วก็ภาคภูมิใจที่เราฟันฝ่ามาได้เราก็ทําได้สําเร็จหลายคนก็คงตั้งใจนะว่าในเดินทางเดินเท้ามาตั้งแต่วันแรกจนถึงนาทีนี้เี่ย ไม่ว่าใจเนี่ยก็อาจจะวิตกกังวลไม่แน่ใจว่าจะทําได้หรือเปล่าคิดว่าคนที่วิตกกังวลแบบนี้ก็มีไม่น้อยอยู่แต่อาศัยใจสู้นะเราจึงพาตัวเองมาถึงที่วัดหนองคอนไทยได้ตอนกําหนดเดินเนี่ยการธรรนียร์การนนาจะสิ้นสุดวันพรุ่งนี้หมายถึงการเดินนะแต่ว่าวันนี้ เรารวบเส้นทางของวันนี้แล้วของพรุ่งนี้มาเป็นวันเดียวกันเพราะฉะนั้นก็เลยเส้นทางก็เ ย, ยาวหนะ่แล้วทำให้เรากลับเอามาถึงที่นี่ค่อนข้างเย็นพวกเราถือว่าเป็นกลุ่มแรกก็ว่าได้นะที่เดินทางตั้งแต่ต้นน้ํามาบะทาวจนมาถึงปลายน้ําธรรมย่ตาตาชิกอกข้างก่อนหน้านี้เนี่ย ไม่มีคณะใดเลยเลยนะที่ไปเดินทางข้อคุมตั้งแต่ต้นน้ำจนถึงปลายน้ำของลาปะทาวเลยเปิดก็เพราะว่ามันเป็นระยะทางที่ไกลพอสมควรนะร้อยสิบแปดกิโลซึ่งในเวลาเจ็ดวันเนี่ยหรือแปดวันเนี่ยทำได้ยาก น, นที่ผ่านมาก็เลยทำได้อย่างมากก็มา เส้นสุดที่ตัวจังหวัดนี่คือปีห้าหนึ่งที่เรามาสิ้นสุดที่สาระกลางแต่ว่าคุณภาพของผู้เดินธรรมยาตายิาที่ผ่านมาก็ดีขึ้นเรื่อยๆดีขึ้นเรื่อยๆืตรงท่านให้เรามั่นใจว่าเส้นทางเกือบ1้0ยี่สิบกิโลเนี่ยในเวลาเท่าเดิมเนี่ย พวกเราสามารถทำได้แล้วก็ทำได้จริงๆจริงๆมันไม่ใช่เป็นมันไม่ใช่แค่ความยาวของระยะทาง น, นะแต่มันมีความที่ากเพิ่มมาด้วยอย่างเช่นวันที่สามเนี่ยนะวงที่เราเดินข้ามเขาแล้วก็ลงกล้วยแล้วก็ขึ้นเขานะไปอุจจาระตัดตซนนี้มันก็เป็นเส้นทางที่ทัองยาวแล้วก็ลำบากจริงจริง หลายคนก็บอกว่ามันเป็นเส้นทางที่ลุยบากที่สุดนะทนั้งแง่ของความยาวแล้วก็ในแง่ความยากแต่ว่าอย่างที่บอกนะว่าคนที่ร่วมเดินธรรมยาตราเนี่ยใจสู้นะแล้วความมั่นใจหลายคนที่ผ่านการเดินมาหลายครั้งก็มีความมั่นใจมากขึ้นอจึงสามารถที่จะเดินตั้งแต่ต้นน้ำจนถึงปลายน้ําได้นะือที่ ไม่เลิกลาเสีก่อนที่จริงเนี่ยไม่ใช่พวกเราไม่ใช่ธรรมยรากลุ่มแรก <c oughs> ที่เดินตั้งแต่ต้นนดังลายน้ํำนะอนาวัติว่าคง ผ, ผู้ไม่กิดนะที่เทพผู้กันเยพวกเราเป็นกลุ่มแรกในปัสสาวงรับประทานนะที่เดินอย่างตอง่อเนื่องนะตั้งแต่ต้นน้หรือผู้หลงนะจนถึงปลายน้ําคือต่างตกเป็นกลุมแรกในปัสสาวะของรําประทาเลยก็ว่าได้ ไปดีตัดสำรวจนะลำตะทาวตลอดเส้นทางแต่ว่าก็ไม่ค่อยต่อเ น, นื่องนะเน้นว่างไปบางวันสอ ง, งวันหรือว่าจจะวิ่งออกเป็นอาทิตย์เป็นเดือนหรือเป็นปีต้องกลับมาเริ่มต้นอ่มาสํารวจจนตลอดแต่กอณีเป็นกลุ่มแรกในที่การเดินตั้งแต่ต้นน้ำจนถึงปลายน้ำอย่งครบถ้วนและเพอเพยจะเป็นกลุ่มเดียวที่ปอดสายก็ได้นะ <c oughs> <c oughs> เพราะคงไม่มี คง ม, มีกลุ่มหรือจะทำอย่างนี้อีกแล้ก็ไม่ได้จะทําธรรมยานตาเนี่ยครั้ง ต, ต่อไปจะทําอย่างนี้หรือเปล่านะเพราะว่าปกติเราก็จะเปลี่ยนเส้นทางไม่ได้ซ้ํากันทีเดียวนะที่ผ่านมาก็ก็ไม่ได้ทับเส้นทางหรือซ้ําเส้นทางกันเท่าไหร่แตนสิ่งที่เราได้เห็นเนี่ยตลอดเส้นทางเนี่ยนะมันเึงจึงมีความพิเศษในตัวเพราะว่าคงจะไม่มีกลุ่มหรือที่ได้ยินแบบนี้แต่ว่านั่นก็คงไม่สําคัญเท่ากับว่า การที่เราได้ทุ่มเทด้วยความเพียรของเรามันไม่ใช่เป็นการเอาชนะระยะทางหรือความยากลำบากตามรายทางั้แต่ที่สำคัญคือมันเป็นการชนะใจตัวเองอันนี้สำคัญที่สุดเลยชนะใจตัวเองและถ้าแล้วเมื่อเราชนะใจตัวเองได้เนี่ยเราก็จะสามารถชนะใจตัวเองในครั้งต่ อ, ตอไปเมื่อเจออุปสรรคที่ยากลาบาก กว่านี้ได้ทั้งหมดนี้ก็เริ่มต้ น, นจากการที่เราเดินก้าวแรกระยะทาง120าร้อยยี่สิบกิโลเมตรถานับก้าวเี่ยก็ประมาณสามแสนก้าวหรือสามแสนเศษหลายคนนึกไม่ถึงนะว่าเราจะเดินได้มากขนาดนี้แต่ทั้งหมดนี้มันก็เริ่มต้นจากการที่เราเริ่มต้นเดินก้าวได้แน่นอนนะถ้าเกิดเราคิดนะว่าเราต้องเดินให้ให้ถึงสามแสนก้านะ เราคงจะท้อตั้งแต่แรกเนาะเลยจะท้อตั้งแต่ก่อนเริ่มเดินแต่เป็นเพราะเราไม่ได้มีความคิดอะ้รนในในหัวส่วนใหญ่แล้วก็คิดเป็นว่าเดินแต่ละก้าวไปเรื่อยๆเดินแต่ละก้าวแต่ละก้าวแม้ว่าจะปวดจะเมื่อยนะแต่ก็ยามเดินไปให้ได้เดินไปเรื่อยๆเท่าที่จะทนได้แล้วเมื่อเดินไม่หยุดนะเจ็ดวันเนี้ยมันก็สามแสนก้าวก็เป็นเรื่องที ก็มไม่ได้ยากอะไรแล้วถ้าเราจะเดินต่อให้ครบล้านเก้าเนี่ยก็คงจะไม่ยากเหมือนกันนะถ้าเรามีเวลาเดินมากกว่านี้เป็นสามอาทิตย์หรือสี่อาทิตย์ทั้งหมดนี้มาเริ่มตกับการที่เราเริ่มเก้าแรกถ้าไม่มีเก้าแรกนะอย่ยวก็แต่สามแสนเลยนะแม้แต่ร้อยเก้ามก็ไม่เกิดตัวเลขหนึ่งล้านนะมันเป็นตัวเลขที่มากนะแต่มันเริ่มต้นที่เลขหนึ่งม แต่แบบที่ยังเป็นเลขศูนย์นะร้วันพันปีมันก็เป็นล้านไม่ได้แต่พอมีเลขหนึ่งแล้วนะโอกาสที่จะมีเลขสองเลขสามตามไปจนถึงเลขที่ล้านนะก็เป็นไปได้แล้วเราจะทำได้ง่ายขึ้นนะถ้าว่าใจเราไม่ได้ไปจดจ่อยที่ว่าไอ้ตัวเลขหนึ่งล้านหรือสามแสนนั่นเป็นเรื่องอนาคตแต่ใจระโย่การเดินแต่ละก้าวแต่ละก้าว และถ้าเราเดินไี่หยุดนะมันถึงแน่ไม่ต้องไปกังเวรไม่ต้องไปวิตกอันนี้นะเป็นเป็นอา น, นิสงส์ของความเพี่ยนพยายามถ้าเราเปลี่ยนพยายามเนี่ยโดยที่ลองไม่จาเป็นต้องไปตจวจ่อยที่จุดห ม, มายปลายทางเราเพียงแค่ทําขนาดนี้ให้ดีที่สุดแล้วก็ทำไปเรื่อยๆทำไปเรื่อยๆเดินไปเรื่อยๆเดินไปเรื่อยๆ น, นะมันถึงเอง บางทีนึกไม่ถึงเลยเศร้าโศเราเติได้ขนาดนี้นี่ถ้าตะว่าไม่ไม่ไม่พูดหรือไม่คำนวณให้เราฟังเนี่ยนะเราคงนึกไม่ถึงเนื่าเราเติมมาแล้วเนี่ยนะตั้งแต่วันแรกของเนี่ยสามแสนหกเก้าเฮ้ยถ้าเป็นเด็กปุ้ยแล้วเนี่ยนะมันมากกว่านั้นเพราะ่าเด็กว่าก้าสั้ น, นทั้งหมดนี้เกิดขึ้นได้เนี่ยนอกจากใจที่สู้นะมีทั้งขันเต็มมีทั้งวิริยะนะและาจะมีทั้งอธิฐัน อันที่สุคือความตั้งใจมั่นที่จะทำให้ได้นี่จะเป็นสัจจะบารมีก็แล้วแต่สิ่งหนึ่งที่มันทำให้เราทันสาเร็จนะก็คือเพื่อนนิสายสำคัญมากทีเดียวนะวิสหายที่ร่่นเดิมถึงแม้ว่าหลายคนจะพบว่าเอวเนี้ยอยู่ท่ามกลางคนที่ไม่รู้จักเลยไม่วันจะมาวันแรกวันที่สองสามสี่ห้าหกนี้ ไปทั้งวันนีนะ้หลายคนเนี่ยพวก็เจออยู่ท่ากลางคนที่ไม่เคยรู้จักเลยซึ่งมีเป็น ร, ร้อยแต่ว่าการที่เราเดินข้างหน้าไปด้วยกันเนี่ยผู้หมายเดียวกันมันก็ทำให้ความเป็นมิตรเกิดขึ้นพู้เจ้ากล่าวเป็นภาษิตว่าเดินร่วมกันเจ็ดเก้าได้ชื่อว่าเป็นมิตร รวเดินร่วมกัน12 9ก็นับว่าเป็นสหายถ้าเดินร่วมกันครึ่งเดือนหรือกึ่งเดือนนะก็เป็นเหมือนญาติและถ้าอยู่ร่วมกันนานกว่านั้นก็เหมือนกับเป็นตัวเองแล้วพวกเราเนี่ยถึงแม้ว่าเราจะไม่ได้เดินนานหรืออยู่ร่วมกันถึงกึ่งเดือนแต่ว่าเราเดินมากกว่า7หรือ12ก้านไม่กิ่เท่าก็ถือก็เท่ากับว่าเราเนี่ยเป็นเหมือนกับเป็ น, นิ แล้วก็เป็นสหาหัสหรือเป็นยิ่งกว่าสหายแล้วความเป็นวิสหาหนะิจะนหน้าที่มันช่วยกระตุน้นแล้วก็ปล่อยแรงกำลังใจของเราถ้าเราไม่ได้มาเดินร่วมกันนะเป็นกลุ่มแบบนี้เนี่ยเช่นคุณเดินคนเดียวเนี่ยก็อาจจะเดินไม่ถึงนะอาจจะยกเลิกเลิกราไปตั้งแต่วันแรกของวันแรกแล้วเพราะความทุกความยากลำบากประสมมันมากมายแต่ว่าพอเรามาร่วมกันนะ เป็นน้ำหนึ่งใจเดียวกันความทุกขเมียมันช่วยนะที่หลอมรวมใจเราให้เป็นหนึ่งเดียวกันได้ง่ายความร้อนเนี่ยนะความร้อนนี่มันช่วยทําให้เหล็กก็ดีนะโลหะก็ดีนาฬิชานี่มันหลอม น, น, นะเป็นอันเดียวกันอยู่เหมืนก็ถ้าเป็นทองก็เป็นทองเหมนเดียวกันความเจ้าลำบากนะที่พวกเราได้ประสบร่วมกันเนี่ยมันก็ทําให้เรากลายเป็นเพื่อนเรียมทุกข์ ที่ช่วยหลอมใจให้เราเนี่ยเป็นเพื่อนร่วมทางที่กรกเกี่ยวกันร่วมสูขเนี่ยมันหลอมใจให้เป็นหนึ่งเดียวกันได้ได้ยากกว่าร่วมทุกข์<ม>นี่ยความทุกข์เนี่ยมันช่วยให้เราเนี่ยมงน้ำหนึ่ง ใ, ใจเดียวกันมากขึ้นเพราะว่าพอทุกข์แล้วเราก็พยายามช่วยกันทานก็ดีปิยาวาจากระดีอัฏฐจริยาก็ดีนะมันก็เกิดขึ้นซึ่งก็ช่วยทําให้สมานใจพวกเรา ให้เป็นหนึ่งเดียวหรือสงเคราะห์ภาษาเรีว่าสงเคราะห์ทานอัธยาสมันนัตตาทานเบียวัจาอัิยาสมันนัตตานี่ได้พูดไปแล้วเะื่อสองวันต่อว่าวันคือธรรมะในสังขาวัตถุสีสังขาระ็คือสงเคราะห์หรือว่าร้อมประสานให้เป็นหนึ่งเดียวเป็นน้นหนึ่งใจเดียวกันคนที่เดินข้างหน้า จะเดินไปไม่ได้ไกลถ้าไม่มีเพื่อนอยู่ข้างหลังเนคอยคอยคอยผลักทั้งหรือคอยดันคนที่อยู่ข้างหลังเนี่ ย, ย, ย, ยกคยยย็คงจะเดินไปไม่ถึงจุดหมายถ้ามันมีคนข้างหน้าคอยดึงพ้าเราต่างช่วยกันดึงและดันก็เลยนะสามารถจะเคลื่อนขบวนมาจนแต่ละคนถึงจุดหมายปลายทางที่ตั้งใจเอาไว้ได้เดีย๋ยวงไม่ต้อพูดถึงความเอื้อเฟื้อช่วยหรือเกือ้อกูลกันระหว่างทางทั้งในกลุ่ม กลุ่มเดียวกันแล้วก็ทั้งระหว่างกลุ่มการที่เรามาเดินร่วมกันนะด้วยความสุขที่เป็นมิจฉาหายมันทําให้สิ่งยากๆเนี่ยทําสําเร็จได้ครั้งหนึ่งพระอนมนเคยกล่าวกับพระเจ้าว่า<ม>กเรียะนนิพนธเป็นครึ่งหนึ่งของพรหมจรรย์พระเจ้าตรัสว่าอย่าพูดอย่างนั้นอานนกเรียนนิพนธเป็นทั้งหมดของพรหมจรรย์แตะะ่เราไอยากจะพูดนะเหมือนกันว่านะ กายและนิจเนี่ยเป็นทั้งหมดของธรรมญาติตาแต่ถ้าไม่มีมิตนะไม่มีสหายนะธรรมญาติก็เกิดขึ้นไม่ได้อันนี้ไม่ได้พูดเฉพาะการเตรียมการนะยังพูดถึงว่าเมื่อเตรียมการแล้วได้มีผู้เดินความเป็นมิตนะก็ทำให้เราเป็นเหมือนองค์คาระยเดียวกันเดินที่เคลื่อนนะตั้งแต่ต้นทางถึงปลายทางโดยที่ความยากลำบากประสบก็จุดเราไม่ได้ควางเราไม่ได้ ความเป็นเกรวิทย์นะส่วนก็เกิดจากก็มีส่วนในการให้กําลังใจกับการรักกันบางทีกําลังใจไม่ได้เกิดจากคําพูดนะแต่จะเกิดจากการกระทําการกระทําของคนที่อยู่ข้างๆเราเมื่ที่เขาเพียรพยายามเขาไม่ยอมท้อถอยมันก็ปลุกใจให้เราสู้ให้เราเพยายามที่จะอะมีความเตียนพยายามแน่นอนที่ว่าหลายคนก็ได้กําลังใจนะ จะพูดเท่าเนี่ยทั้งที่อายุมากนะกําลังวางชาน้อยนะแต่ว่าก็มีความเพียนใจสู้และไม่ใช่เพราะชอบพูดเท่านะแต่ว่าเด็กๆเล็กๆเนี่ยนะก็เป็นกําลังใจหรือเป็นแบบอย่างกับพวกเราขึ้นมนผู้ใหญ่ได้เหมือนกันธรรมยานตาเนี่ยนะมีเด็กเล็กๆไดเป็นสีสันแต่พูดอย่างนี้ก็ไม่ถูกนะเพราะว่าสีสันมันแทบเป็นไม้ประดับนะเด็กๆนะ เหล่านี้เนี่ยไม่ใช่ไม้ประดับเนีเพราะว่าก็ก็มาร่วมเดินกับเราบางคนก็เดินตลอดเส้นทางในบางคนก็อาจจะเดินไม่ตลอดนะแต่ว่าเดินไม่ไหรนะก็พักหายเหมือยก็มาเดินกับเรามาปีแรกๆเนี่ยนะปีแรกๆไม่ค่อยมีเด็กหรอกตอนนั้นก็เริ่มีเด็กมากขึ้นเด็กเนี่ยตอนที่เริ่มมากันแนละ้วหลายคนก็ไม่ได้เดินตลอดทางนะนั่รถ แต่ในอุ้งหลายปีหลังเนี่ยเด็กก็มารุ่นเดินแล้วก็เดินลตลอดทางก็หลายคนนะอายุก็ไม่มากนตะั้งสี่ห้าขวบนะแล้วไม่ได้เดินอย่างเดียวนะวิ่งด้วยนะแงหน้าเราเนาะวันนี้มาเห็นเด็กนะมีนายทางสายวิ่งแสงหน้าอตาตมาไปเดินเท้าป่าด้วยนะ <c oughs> เดินวิ่งแซงเลยเนะี่นี่คือ อันนี้ก็เชื่อว่าหลาว่าคงได้กำลังใจนะหรือว่ า, เ, าเกิดใจที่สู้น์ขึ้นมานะจากการที่เห็นเด็กแม่เด็กผูทนนะแล้วก็จะมีอะไรหลายหายอย่างหลายหายแบบให้เราได้ไปรู้เป็นเรื่องที่น่าประทับใจเนพะระาะว่าสีห้าปีที่แล้วเน่ยมีเด็กคนหนึ่งก็มาเดินกับเราเนะีเป็นช่วงๆนะเป็นเด็กผู้ชายชื่อโอโซนประมาสี่ห้าปีที่แล้วก็อายุประมาณตั้งหกเจ็ดขวบเนะหรือเจ็ดปดขวกแล้วก็เดิน ที่จะมาร่วมเดินทุกปีแล้วตรงกระทั่งะพะโลแต่ปีนี้ไม่ได้มาเดินนะตั้งแต่ปีห้าสี่ห้าห้าวันเจ็ดนี่ก็มาเดินแต่ไม่ตลอดเพราะว่าพ่อเขาก็อไม่มีเวลามาเดินร่วมกับเราตลอดทางต้องทํางานมีคราวหนึ่งนะก็หลังจากที่เดินมาได้ไกลนะก็มาพักที่เขาป่าสัมนะป่าสัมนี่เราก็ผ่านแล้ว น, นะก่อนถึงข้ามมาไปวานนะวันที่สองนะก็มีการพัก ก็มีเจ้าภาพเนี่ยมีญาติโยนเนี่ยเอาน้ํามาต้อนรับขนมาทั้งรถเลงมาเป็นรถเลงผู้คนก็อ่แห่กันไปรับน้ําแต่โอโซนเนี่ยนะกลับมานั่งปีตัวมันนั่งกับพระก็มีข้ารุงถามว่าโอโซนไม่ได้กินน้ำเหรอโอโซนก็ตอบว่าไม่หรอกครับผมก็ลังฝึกความอดทนและพรุ่งนี้ผมก็จะถอนหัว ด, ด้วยเแล้าโอโซนก็ทำจริงนะวันนี้ก็ ใจสู้นะแล้วก็โอโซก็จะเดินนะําหน้านะพวกเรามาทุกปีเดินลากของเท้าก็อันนี้ก็เป็นตัวอย่างนะแะเด็กที่เราเห็นนะในปีนี้ผมตั้มเชื่อว่าเขาก็มีอะไรหลายอย่างที่เราสามารถเจอรู้จับเา้าหรือว่ามีเรื่องที่น่าประทับใจอันนี้ก็เป็นเป็นเป็นกำลังใจนะที่เราได้ไรีรู้หรือได้รับ จับซึ่งกันและกันซึ่งมันทำให้ธรรมญาตราในจะลำบากยางไงนเร <c oughs> าก็ประคองตัวเองแล้วช่วยเหลือเพื่อนๆเนี่ยมาจนถึงตรงนี้ได้ <c oughs> ทางท่านนี้คงจะไม่พูดอะไรมากนะก็ถือว่าให้รางวัลเราก็แล้วกันนะเพราะว่าเดี๋ยวจะมีกิจกรรมหลายอย่างดยเพราะอาจารย์ประมวลก็จะมาสนทนากับพวกเราเดี๋ยจะให้เวลาอาจารย์ได้พูดกับเราบ้างๆนะเพราะว่าท่าน มีเวลาคุยกัพวกเราทหน้ากับพวกเราเนี่ยไม่บ่อยอเพราะฉะนั้นก็คำนี้ก็ยุติดท่นี้ก่อนก็เอาไว้กัน